เราก็ได้ทําภารกิจในการเจริญสวดมนต์ธรรมะันเช้าเป็นที่เรียบร้อยเพาะนั้นช่งชวงเช้าจงหนังสือขึ้นมาพับหนังสือเก็บหนังสือเก็บสมุดในช่วงพ่อบรรยายนี่ไม่ต้องจดอะไรทั้งนั้นเพราะจะทําให้ทําไหลสู่ใจโดยที่ไม่ต้องไหลสู่หนังสือเพราะไหลสู่หนังสือแล้วมันจำไม่ได้ถ้าไหลสู่ใจแล้วมัน ใช้ประโยชน์การที่ไม่ต้องลูกหลายคนลกคนเดียวสองคนก็พอการที่เราได้มาศึกษาเรียนรู้ทมเพื่อที่จะนำไปใช้เป็นการบำเพ็ญกุศลขั้นสูงทีเดียวถ้าเรา ไม่ตั้งใจไม่ทำความเคารพด้วยธรรมเราอาจจะไม่ได้อานิสงส์เหล่านั้นการทำสิ่งใดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จหรือความอิ่มเอิบที่เราได้บริโภคได้เลี้ยงดูชีวิตของเรานั้นเราจะต้องทำสิ่งนั้นให้อ่อนโยนก่อนที่เขาสู่ร่างกายเช่นข้าวมันแข็งเราต้องหุง ต้องต้มให้มันอ่อนถึง่จะบริโภคได้อาหารมันแข็งเราก็ต้องมาต้มมาเคี่ยวให้มันอ่อนเพือบริโภคได้ฉันใดการที่เราจะนําเอาธรรมะซึ่งเป็นของแข็งเนี่ยเข้าไปสู่จิตใจเราก็จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ทําตนให้แข็งถ้าเราทําตนให้แข็งกระด้างสิ่งเหล่านั้นก็เข้าไปสู่ร่างกายเราลำบากเหมือนเราเคี่ยวข้าวดิบ เคี้ยวข้าวสารหรือกินอาหารที่ไม่ได้ปรุงได้ต้มได้หงุงดังนั้นการทําตนให้อ่อนโยนนุ่มนวลเคารพให้เกียรตินั้นเป็นการทําที่เหมาะสมเรียก ว, ว่าสามีจีกรรมซึ่งในพระสงฆ์ของเราจะมีการทําสามีจีกรรมกันเพื่อจะให้ทำที่ละเอียดอ่อนประณีตเข้าสู่จิตใจของเราจิตใจและร่างกายของเราได้จะทำจำจนให้แข็งกระด้าง ไม่เคารพไม่แสดงอาการ อ, อน้อมถ่อมตนธรรมะก็เข้าสู่ใจเราไม่ได้ที่เข้าสู่อย่างลําบากเข้าสู่ก็ติดคอติดคางเหมือนเรากินของแข็งนะเรียกว่าทิฏฐิมานะก็เกิดขึ้นมาดังนั้นเองเราจะรู้ว่าใครจะได้ทําหรือไม่ได้ทําอยู่ที่ว่าคนนั้น มีความอ่อนน้อมแค่ไหนถ้ายิ่งปฏิบัาธรรมยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นหมายถึงว่าคนนั้นก็เจเริญเติบโตยอดกิ่งไม้มันไม่เคยแข็งมันจะอ่อนอยู่เสมอก่อนที่มันจะแตกจะปรีขึ้นไปสู่กิ่งใหม่หน่อใหม่ได้ถ้ามันแข็งมันก็เติบโตไม่ได้มันต้นไม้ที่มันแก่แล้วมันตายมันจะแข็งกระด้าง จิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าจิตใจที่แข็งกระด้างมันเป็นจิตใจที่ตายไปเรื่อยๆแต่ถ้าจิตใจที่อ่อนโยนนุ่มนวลประณีตเป็นจิตใจที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนยอดไม้ที่มันผลิ ด, ดอกออกใบอยู่เสมออันนี้คือกฎของธรรมชาติเราจะหนีกฎของธรรมชาติไม่ได้มนุษย์ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหมือนธรรมชาติทั่วไปเราจะเจริญเห็นความเจริญเติบโตชีวิตจิตใจของมนุษย์เราก็ต้องดู ความเป็นธรรมชาติเขาว่าเหมือนธรรมชาติทั่วไปภายนอกหรือไม่ตัวนั้นเป็นตัวตัดสินดังนั้นเองในพุทธศาสนาจึงมีการทำสามีจีกรรมกันอยู่ไปกันเป็นประจํานะเพื่อเป็นการ <c oughs> ที่จะลบล้างปัดเป่าความแข็งกระด้างออกไปซึ่งมนุษย์ปุถุชนทุกคนก็มีมีความแข็งกระด้างมีมณะทิฐิเป็นนิสัยแต่ใ น, นเมื่อจะเอาสิ่งใดเข้าไปสู่ จิตใจที่มันดีขึ้นเราก็ต้องจำเป็นต้องขจัดปัดเป่าความแข็งกระด้างเหล่านั้นลงไปดังนะนั้นพระสงฆ์จึงอยู่ในฐานะที่เป็นผูชนิยบุคคลต้องเคารพต้องให้เกียรติต้องบูชานะเพื่อท่านทัน้งหลายเหล่านั้นจะได้นำเอาธรรมะของสมมาสัมพุทธเจ้ามาย่อยมาแยกมาทำให้มันอ่อนโยนทำให้มันนุ่มนวลเหมาะที่เราจะนาไปบริโภคและ เอาไปปฏิบัติได้นั่นเองนั้นหน้าที่ของพระสงฆ์ดังนั้นพวกเราทั้งหลายก็ต้องพยายามศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ให้ดีมิฉะนั้นแล้วเราศึกษาธรรมะทั้งปีทั้งชาติทั้งชีวิตแต่ว่าไม่เคยเติบโูเลยเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของเราแข็งกระด้างดังนั้นเองการทําการสามีจิกรรมการอ่อนน้อมถ่อมต น, ตนการแสดงความเคารพให้เกียรติจึงเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อที่จะเลำเลียงสิ่งที่ประณีตอ่อนโยนลึกซึ้งสิ่งไหนที่มันจะนําไปสู่ความลึกซึ้งสิ่งนั้นต้องอ่อนละเอียดเหมือนน้าถ้ามันแข็งมันไม่สามารถจะซึมลงดินได้มันไม่สามารถจะไปสงเคราอบปุ๋ยส่งข้อดินให้เป็นธาตุอาหารของต้นไม้ได้จิตใจของเราเหมือนกันถ้าแข็งกระด้างไม่มีน้ําใจไม่มีเมตตาต่อกันเราจะ จะเลินเติบโตไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งละเอียดประนี้เข้าไปหล่อเลี้ยงจีใจอันนี้คือหลักสากลทั่วไปที่มีในพระพุทธศาสนาในศาสนาอื่นเขาอาจจะไม่มีแต่ในศาสนาพุทธมีเพราะศาสนาพุทธเป็นธรรมและเป็นธรรมชาติเราจะทําสิ่งใดที่เป็นนามธรรมาต้องทําต่อรูปธรรมเหมือนเราจะจะได้ผลไม้เราจะมาให้ปุ๋ยใส่น้ำปนดินให้กับผลไม้ต้นไม้ไม่เป็นผล ต้องมาใส่ที่ดินพี่รากของมันซึ่งมันเป็นเหตุที่ให้เกิดดอกเกิดผลได้ฉั้นใดก็ดีเราที่จะไปมุ่งหวังผลนิพพานมรรคผลนิพพานด้วยความสำเร็จใดใดก็ต้องมาดูแลเอาใจใส่ที่รากที่ต้นคือรูปนามคือกายคือใจนี้ให้ได้ก่อนแล้วตัวภูมิธรรมต่างๆถึงจเจริญเติบโต ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปคนทั่วไปจิตใจมีแข็งกระด้างจิตใจไม่อ่อนโยนไม่คารุบต่อครูบาอาจารย์ถือว่าครูบาอาจารย์เป็นเพียงมิตรถึง เ, เพื่อนเป็นผู้รับจ้างความอน้อมถ่อมตรงต่อกันไม่มีดันะั้นสัมภวิชาทั้งหลายของครูบาอาจารย์จึงไม่สำนิกประโยชน์จึงไม่ได้ให้ผลเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมนะ ใ น, นไงของวิชาธรรมะที่เราศึกษานี่เหมือนกันเรามุ่งหวังมักผลเบื้องสูงถ้าเราไม่สามารถที่จะดูแลต้นรากให้ดีต้นไม้ก็เติบโตสูงไปไม่ได้ถ้าเราไม่ดูแลร่างกายและจิตใจไม่ดูแลคุณธรรมเบื้องต้นให้ดีจิตใจเราก็เติบโตไปเบื้องสูงไม่ได้อันนี้คือหลักธรรธรรมชาติที่เราจะต้อง ตระหนักรู้และทาความเข้าใจอยู่เสมอดังนะนั้นในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันสาคัญนะที่เราจะต้องอตั้งใจเป็นพิเศษเนะพราะพรุ่งนี้เราจะต้องอมีการตรวจสอบทบทวนในสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งสามสี่วันนี้ให้ครบถ้วนว่าเราเรียนได้ศึกษาได้ทำอะไรมาบ้างวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะต้อง เริ่มตรวจสอบตัวเองว่า 3- าสี่วันมาสิ่งไหนที่เราไม่ครบไม่พร้อมไม่สมบูรณ์เราก็ต้องไปเพิ่มเติมไปเติมให้สิ่งนั้นให้เต็มมากขึ้นอ่างนั้นเองเป้าหมายหลักของเราคือต้องการให้มีการปฏิบัติให้มากการศึกษาเป็นเพียงที่ทําความเข้าใจย่อยแยกให้ธรรมะที่ยากยากให้มันง่ายขึ้นเท่านั้นเอง เหมือนกับการที่เราจะทานข้าวกระบวนการการหุงการต้มก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ข้าวมันนุ่มอาหารมันน่ากินถ้าไม่มีกระบวนการทางด้านหุงการต้มข้าวและอาหารก็อาจจะ ก, กินยากบริโภคยากและไม่เป็นอาหารอาจจะเป็นพิษได้ธรรมะก็เหมือนกันอาศัยกระบวนการการปฏิบัติการเรียนรูก้าการศึกษาเปรียบเสมือนกระบวนการหุงต้มที่จะทําให้ธรรมะนั้น เป็นของที่สามารถเข้าใจได้แล้วเอาไปทําได้ถูกนั่นเองแั้วนั่นเองในวิธีการปฏิบัติโมเรียนที่เราใช้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากและขณะเดยียวกันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้และเข้าใจได้อย่างที่เราทํากันในหลายๆรูปแบบทั้งสมถะและวิปัสสนาสมถะนี่เป็นการเตรียมใจให้พร้อม เป็นการเตรียมใจให้เข้มแข็งเป็นการเตรียมใจให้เหมาะแก่สิ่งที่จะใส่ลงไปเหมือนเราจะทานอาหารเราเตรียมจานเตรียมถ้วยเตรียมช้อนนะฉะนั้นสมถะจึงเหมือนภาชนะที่พร้อมที่จะใส่ภาชนะที่สะอาดพร้อมที่ใส่อาหารนะเราก็วิปัสนาจึงเหมือนอาหารที่เราบริโภคเข้าไปสอดรับกันสมถะที่ถูกต้องก็เช่นเดียวกัน เป็นตัวซัพพอร์ตสนับสนุนให้รับอาหารบริอาหารได้สะดวกสมถะก็เปนการเตรียมใจให้พร้อมที่จะรับวิปัสนาได้สะดวกนั่นเองดังนั้นจึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยให้เห็นความสำคัญทั้งสองส่วนสมถะนั่นเป็นการเตรียมกายวิปัสนาเป็นการพัฒนาจิตเมื่อเราจะปลูกต้นไม้พัฒนาเป็นไร่เป็นสวนเป็นนาเราก็มีการเตรียมดิน มีการลบรังถังพงค์บุกล้งางถังพงค์มีการไถมีการคลาดมีการเตรียมดินในระดับตา่ตางๆเพื่อพร้อมที่จะปลูกฝังพืชพันธุยาหารจิตใจของเราเมือกันถ้าเราเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมกูเสมอสิ่งที่หลวงพ่อนําเสนอทั้งภาคปริยัติปฏิบัติก็เหมือนสิ่งที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงไป ส่วนจะงอกจะแตกจะเบิกจะบานหรือไม่เนี่ขึ้นอยู่กับว่าการดูแลเอาใจใส่ของพวกเราอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นต้นกล้าที่เข้มแข็งหรือเป็นต้นไม้ที่เบิกบานน่ะอยู่ที่การดูแลเอใจใส่ครั้งหนึ่งะฉะนั้นจึงอยากจะให้พวกเราได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยูน่นี้เป้าหมายคืออะไรนะเป้าหมายเพื่อที่จะทําชีวิตให้มันตื่นรู้ เป้าหมายหลักของเราทำาไงก็ได้ให้มันตื่นรู้เสมอคาว่าตื่นรู้หมายถึงว่าเราจะต้องไม่หลับไหลอะไรที่เรายังไม่รู้ก็พยายามที่จะรู้อะไรที่ยังไม่ตื่นเราก็ต้องตื่นคาว่าตื่นหมายถึงไม่หลับคำว่าไม่หลับในภาษาธรรมหรือภาษาวิปัสนาไม่ได้ไม่ได้หมายถึงหลับทางกายแต่หลับทางจิตเช่นเรานั่งแล้วเราถ้าหลับทางกายนี่ถือเป็นข้อบกพร่องและเป็นความไม่ปกติ ในขณะที่เรามีชีวิตที่ตื่นอยู่ในกลางวันถ้าเราหลับไหลหรือเราง่วงหาหงาเข้านอนเสดงไปความผิดปกติทางด้านสุขภาพนะแต่สิ่งที่เราต้องการที่จะปลูกให้ตื่นคือปลูกใจถ้าหลับทางใจหมายถึงว่าเราไม่ได้อยู่ณปัจจุบันเราไปอยู่ในอดีตอนาคตจิตใจเราไหลลื่นไปสู่อดีตอนาคตในขณะนั้นเราหลับแลไหล พอเราไหลเราจึงหลับเพราะใจไหลไปสู่อดีตนะโคตรถึไหลไปสู่นอกตัวเมื่อไหลแล้วก็จะหลับหมายความว่าเราไม่ได้ตื่นอยู่นับปัจจุบันณปัจจุบันเป็นลักษณะการตื่นตาตื่นใจตาให้มองเห็นให้ชัดหูฟังให้ชัดจมูกลิ้นกายใจทําให้มันตื่นตัวอันนี้ที่เป็นความหมายทางวิปัสสนาดังนั้นเองการเคลื่อนไหวทุกทกระยะที่เราทำเนี่ยเป็นการปลุก อิรียให้ตื่นเพราะอินีกายเนี่ยมันเป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกขังตะตามันทํำท่าจะเสื่อมสลายอยู่ตลอดเวลาความเสื่อมสลายของรูปนามนี้มันแสดงออกมาในความเจ็บความปวดความเมื่อยความตึงความเครียดขัดยอกตรงนี้คือมันแสดงถึงอาการเสื่อมสลายเรียกว่าฉลาแต่ว่าเราต้อง การที่จะเอาความเสื่อมสลายเนี่ยให้มันตื่นตัวขึ้นมาก็ได้การปลุกธาตุต่างๆบำบัดขจัดเอาความชราภาพออกไปเหมือนเราตกแต่งต้นไม้พยายามตัดตักตดกิง่งตัดก้านอะไรที่มันแก่มันชราหรือมันเป็นกิ่งก้านสาขาที่มันหักมันตายไปพยายามลิดออกแม้แต่ผักเวลาเราจะกินเราก็เลือกเอาส่วนที่มันอ่อนหรือเป็นยอดส่วนที่มันแข็งมัน กาด้างเคี้ยวยากเราก็ดตัดทิ้งไปบางครั้งเราไปเก็บผักมาเป็นหอบแต่ว่าจะมาแกงแค่สักหม้อนหนึ่งไอ้ส่วนที่ทิ้งไปมันเยอะกว่าส่วนที่เรามาแกงด้วยซ้ําไปนะฉันใดก็ดีในความรู้และความเข้าใจต่างๆมีเรื่องเยอะแยะมากมายในแต่ละวันแต่ส่วนที่จะนํามาใช้เพื่อรูแลกายรูฉิตให้มันเข้มแข็ง ตืนตัวและเบิกบานขึ้นนั้นมันไม่มากท่านเปรียบเสมือนใบไม้ในกํา ม, มือนั่นคือมีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญานั่นเองเป็นยอดที่เราต้องต้องเด็ดเอามาใช้มาบริโภคในส่วนเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในหัวของเราแต่ละวันเยอะแยะไปหมดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโ น, น้นแต่ถามว่าเป็นประโยชน์ไหมมันก็เป็นตรงที่มันมาต่อยอดให้เกิดตัวศีลสมถิปัญญาถามว่า การผักปุ้งเค็ดผักปุ้งเค็ดผักต่างๆที่เราเก็บมาเป็นหอบเนี่ยแต่เพียงแต่เราจะดเด็ดเอายอดมันเนี่ยมันเยอะไหมเยอะกว่านะนั้นเองเราจะไปเก็บผักส่วนใหญ่แล้วก็เก็บเอายอดมันมาเหมือนกันในส่วนที่มาเรียนธรรมะเราก็ต้องเอายอดของธรรมอะไรธรรมะที่มันจะเป็นยอดก็คือตัวนี้เราต้องเด็ดมาและหลายยอดที่เราเด็ดมายอดสติยอดสมาธิยอดสัมมาชั ญ, ญาและยอดปัญญา ที่เราจ้าเด็จมาใช้แล้วก็เอามาทำความเข้าใจเอามาปรุงมาแต่งทาความเข้าใจเช่นเราจะลุกจะนั่งจะย่างเดินแต่ละครั้งเอันนี้มีสติกับเข้ามาเนี่ยได้ใช้ยอดที่หนึ่งแล้วสองตั้งใจที่จะรู้ต่อไปให้ชัดเจนอยู่เสมอเป็นยอดที่สองแสให้ตัวรู้นั้นรู้ไปทั้งเนื้อทั้งตัวไม่ใช่รู้ในส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ใช่นิ่งไม่สนิทไม่ใช่หลัก แต่เป็นการตื่นตัวรู้ทั้งตัวให้ชัดเป็นยอดของสัมปชัญญะสเราพยายามที่จะประสานตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานให้ต่อเนื่องให้ชัดเจนแจ่มแจ้งไว้เสมอตรงนี้เป็นปัญญาเนี่ยซึ่งทั้งสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาเป็นยอดของธรรมที่เราจะต้องเด็ดมาใช้ตลอดเวลา อาหารเรากินเป็นบางครั้งทานเป็นบางคราวแต่ตัวธรรมะที่เป็นธรรมอาหารเนี่ยต้องทานตะลอดเวลาเพราะอะไรเพราะใจของเรามราคิดตะลอดเวลาหรือเราถ่ายตะลอดเวลาเราก็ต้องกินตะลอดเวลาการที่เราคิดคิดคิดคิดนั้นหมายความว่ามันต้องได้ใช้ในสิ่งที่เข้าไปแปลงให้มันเป็นตัวรู้ ตัวรู้ก็มาจากตัวคิดนั่นเองถ้าไม่มีตัวคิดเราก็มีตัวรู้ไม่ได้แปลงตัวคิดให้เป็นตัวรู้เรียกว่าปัญญาแปลงตัวรู้กายให้เป็นตัวรู้จิตเรียกว่าสติสัมปชัญญะแปลงตัวรู้คิดรู้นึกให้เป็นตัวรู้ตื่นตัวเป็นปัญญานี่อันนี้คือหลักของมันเราจะแปลงได้อย่างไรก็อาศัยตัวสติตัวสัมปชัญญะ ความรู้ตัวตื่นตัวหรือกายตื่นกายรู้ใจตื่นใจอยู่เสมอนั้นได้แปลงเรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่เห็นขบวนการว่ามันแปลงอย่างไรเพราะเรายังไม่มีความชำ น, นิชานาญยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้เราก็ขยันทำไปเรื่อยๆก่อนแล้ววันได้วันหนึ่งที่ปัญญายามันเกิดขึ้นเราก็จะลำดับเห็นเหมือนกับเราบริโภคหรือทานยาเม็ดหนึ่ง หมอบอกว่ายาเม็ดนี่ยมันแก้ไขแล้วก็มีหน้าที่รับประทานท่านเองทานทา น, นี้มันหายไข้แต่วันใดวันหนึ่งเราต้องการว่ายาเม็ดนี้ประกอบด้วยอะไรมันถึงรักษาไข้ได้อันนั้นเราก็ต้องไปเรียนอีกต่างหากนะแต่ขณะนี้เราต้องการว่าทานยาเม็ดนี้มันหายไ ข, ไข้ไว้ก่อนเรารู้ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากใจคือกิเลสเราก็ทําไว้ก่อน ส่วนเด็กไปรู้ว่าศีลสมาธิปัญญาจะเข้าไปรักษาโรคกิเลส ข, ของเราได้อย่างไรนี่เราก็ต้องไปเรียนอีกครั้งหนึ่งในรายละเอียดเรียกว่าปริยัติแต่ในส่วนปฏิบัตินี่ขอให้เราเอายาเข้าปากเราทานน้ำให้มันหายโรคซะก่อนแค่นั้นพอเพราะเรามีเวลาแค่นี้นะแต่ถ้าเรามีเวลามากสิปียี 20, ่สสามสิปีเหมือนพระสง์ที่อยู่กับวัดเราค่อยไปศึกษารายล ะ, ละเอียดเหมือนกับคนที่เขา ต้องการศึกษาเรื่องยาก็รปเดียนเภสัช <c oughs> ไปศึกษาเรื่องการรักษาก็ไปเรียนหมอนะแต่ในขณะที่เราเป็นผู้เป็นคนไข้ของวัฏสงสารเป็นไข้ของสังสารวัตรเนี่ยเราต้องทานยาพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถให้ได้ซะ ก, ก่อนซึ่งพพุทธเจ้าท่านได้สร้างสูตรมาอย่างเงี้ยเป็นยาเม็ดศีล ร, รักษาอะไร รักษาความโลภสมาธิรักษาความโกรธปัญญารักษาความหลงเพราะเรารู้มีความหลงมากๆเราก็ต้องเจริญปัญญาให้เยอะทานยาปัญญานี่ให้เยอะเรารู้ว่าสมาธิเราไม่ดีความโกรธจึงเกิดขึ้นเราก็ต้องสร้างสมาธิเยอะๆความโกรธความขุ่นมัวก็จะหายไปเรารู้ว่าเป็นคนไม่มีระเ บ, บียบเป็นคนไม่มีศีลจิตใจไม่ปกติเราก็าทานศีลเยอะๆคือปฏิบัติศีลเยอะๆ ตัวโรคตัวอยากมันก็จะค่อยๆเดือดหายไปนี่เขาเรียกว่ารักษาโรคแบบพุทธโอสุท ร, รมโอสถสังฆโอสถโดยที่เราไม่มีข้อแม้ต่อรองใดๆทั้งนั้นเหมือนกับเราป่วยเนี่ยหมอบอกให้เราทานยาเราจะไปหาข้อแม้ต่อรองกับหมอก็อหมายความว่าเราไม่กินยาแล้วไม่หายโรคหมอเขาช่วยอะไรไม่ได้นะฉันใดก็ดีการที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราก็ตั้งใจปฏิบัติเท่านั้นตั้งใจบริโภค เท่านั้นเราจะไปต่อรองเอากับสูตรของผู้ริจาร้าไม่ใช่หน้าที่ของเราเราต้องการหายโรคหรือไม่เท่านั้นเองเราเป็นโลกของความโลคความโกรธความหลงมาหลายหมืน่นหลายแสนปีเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกป่วยแล้วป่วยอีกทุกแล้วทุกอีกอยู่เนี่ยมาทุกภพทุกชาติแต่ถ้าหารักษามันไม่หายเราก็จะต้องวนเวียนว่ายเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเมืร่รู้อีกอกี่แสนชาติมันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะ ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดไว้ในปฐมอุทานสูตรว่าเมื่อใดเราไม่พบยาคือยานปัญญาเราได้เกิดเวียนว่ายใจเกิดในสังสารวัฏจนนับชัดนับพบไม่ท้วนว่ากี่แสนกี่ล้านปีแต่บัดนี้เรารู้แล้วว่าตัวที่ทําให้เราต้องเกิดเวียนว่ายใจเกิดคือความอยากความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นตัวทําให้เวียนว่ายใจเกิด ดังนั้นโรคปุหลงจะมาทำให้เราเวียนว่ายใจเกิดไม่ได้อีกต่อไปเพราะเราได้ยาคือปัญญาคือยานปัญญาแล้วเนี่ยได้รักษาโรคชนิดนี้เราจะไม่เจ็บไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกต่อไปนั่นคือจิตไม่ปรุงไม่แต่งนั่นเองการที่จิตไม่ปรุงแต่งนั้นโรคมันถึงเข้าไม่ได้เมื่อโรคเข้าไม่ได้มันก็เกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีนะเหมือนเนื้อของเราถ้าได้ยารักษา ไม่ให้มันเน่าเสียแล้วนี่ไม่ว่าอะไรจะมาตอมที่จะทําให้มันเป็นหนอนเป็นเน่ามันก็ไม่ได้แล้วเ <_ k _> พราะมียาน้ํายารักษาจิตนี้ก็เหมือนกันถ้ามียาคือพุทธโอสถทธโมโอสตุตรักษาจิตนี้ก็ไม่เน่าไม่เสียจิตนี้ไม่เน่าด้วยความโลภไม่เสียด้วยความโกรธและไม่มืดด้วยความหลงเพราะมียาคือพุทธโอสถทธโมโอสถต ร, รักษาดังนั้นเวลาหลวงพ่อครูบาอาจารย์พาทำแล้วเนี่ยต้องขมีขมันต้อง ขยันต้องตั้งใจทําไม่ไม่เสียเวลาที่จะโอเอะกับเรื่องอยอื่นไม่เสียเวลาที่จะลังเลกับเรื่องอย่างอื่นตั้งใจทําอย่างเดียวแต่ทําอย่างไรมันจะถูกทํายังไม่ถูกนั้นขึ้นอยู่กับเราที่จะต้องซักไซ้์ไต่ถามไม่ต้องมานั่งสงสัยให้เสียเวลาเพราะเวลาเรามันสั้นตรงไหนไม่ชัดเจนไม่เข้าใจต้องถามทันทีแล้วตั้งใจทําแต่การไม่ไต่ไม่ถามไม่ตั้งใจทําทําไปมั่ว เขาก็าเสียเวลาเราเสียหลายอย่างเพราะผลสวิตออกมานั้นมันไม่ตรงเป้าที่เราต้องการเราต้องการเพียงแต่ให้เราเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานเท่านั้นเองรู้ตัวตื่นตัวตื่นกายตื่นใจแล้วก็เบิกบานมีความสุขได้ทุกที่ทุกหนทุกแห่งอันคือเป้าหมายทีนี้คําว่ารู้ตื่นเบิกบานรู้ เป็นศีลตื่นเป็นสมาธิเบิกบานเป็นปัญญาคือรู้คือสติตื่นคือสัมปัชญะญเบิกบานคือปัญญาอย่างนี้ก็ได้เพราะนั้นมีแค่สามตัวเนี่ยสติสัมปัญญะปัญญาหรือสติสัมปัชชะสมาธิและปัญญาก็สาเร็จประโยชน์แล้วเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองตลอเวลาในขณะนี้เรามีสติไหมขณะนี้มีสัมปัชญะไหมขณะนี้เรามีปัญญาไหม เมื่อถามตัวเองก็ตรวจสอบว่าลักษณะของการมีสติเป็นยังไงนั่งอย่างมีสตินั่งอย่างไรนั่งตัวตรงหายใจให้ลึกและผ่อนคลายนอนอย่างมีสตินอนอยังไงนอนแล้วหลับไม่ใช่นอนแล้วฟุ้งฝันนอนอย่างมีสติสมาธิปัญญากินอย่างมีสติสมาธิปัญญากินอย่างไรเดินอย่างมีสติสมาิปั ญ, ญาเดินอย่างไรเอาไปตรวจสอบทุกกิจกรรมของชีวิตนั่นแหละเรียกว่าเราได้ ศึกษาแล้วได้ปฏิบัติแล้วไม่ใช่ว่าถึงเวลาปฏิบัติก็ลงมือวิบัติแต่ว่าเวลาเลิกปฏิบัติแล้วก็ยังทิ้งไปหมดเลยอย่างนี้เรียกว่าไม่ถูกเรามีแต่กินยารักษาแต่ไม่กินยาบำรุงโรคมันก็มาอีกเราก็สาไม่จบเพราะความาการทำงานของไตรลักษณมันทำงานตลอดเวลาอันนี้จังทุกครั้งอนาตตาทางานตลอดเวลา เมื่อเรามันทำงานตลอดเวลาเราก็ต้องดูแลรักษาบารุงทางกำลังที่จะต่อตด้านมันตลอดเวลาเหมือนกันนะเราต้องเตรียมที่จะรับมือตลอดเวลารับมือของอนิจจังทุกขังหน้าตาซึ่งมันเป็นกฎที่ต้องทำลายนะมีผู้ทำลายและมีผู้สร้างและผู้ดำรงผู้ทำลายคือกฎของอนิจจังทุกขังหน้าตาและผู้สร้างคือสติสมธิปัญญา ผู้รักษาคือนิพพานให้รักษาให้สู่ความดับความเย็นความสนิทความนิ่งไม่แปรปรวนไม่เปลี่ยนแปลงไปทางอื่นเข้าสู่นิพพานดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราซึ่งเป็นคนไข้ของพระตศาสนาเราก็จะต้องรู้ความเจ็บป่วยของเราเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรเจ็บป่วยด้วยโรคราคะเราก็จะมีความอยากความโลภความต้องการความเห็นแก่ตัวอยู่ ไม่ขาดสายป่วยด้วยโรคของโทสะเราอารมณ์ขุนมัวเราอารมณ์เสียวิตกกังวลขุนคิดฉุนเฉียวโศกเศร้าพวกนี้เป็นโรคของโทสะเราวิโรคของโมหะเป็นคนสนุกสนานเพลิดเพลินในสิ่งที่ไร้สาระทั้งหลายหมกมุ่นในสิ่งที่ได้สาระทั้งหลายเป็นโรคของโมหะ โรคเหล่านี้ล้วนตีขังอยู่ในจิตในใจของเราอยู่ตลอดเวลานั้นเราจึงประมาทไม่ได้เราจึงมาทําเรื่องนี้ส่วนใครจะทําได้มากได้น้อยก็ได้กล่าวถึงคุณสมบัติห้าประการมาหลายวันแล้วว่าเราต้องมีศรัทธามีความเพียรเข้มแข็งมีความตั้งใจมีความตื่นตัวมีสติมีสมาธิและมีความรอบคอบมีความแยบคายมีความผีถ้วน มีความละเอียดในการกระทำเรีวยกว่ามีปัญญาเมื่อขาดคุณสมบัติหาประการนี้แล้วเราจะรู้ดีขนาดไหนก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะเราเอาไม่มีคุณสมบัติเช่นเราจะมาเรียนเนี่ยปริญญาตรีเขาต้องการสมบัติมหมสปสก็ต้องสร้างคุณสมบัติเหล่านั้นให้ครบพร้อมแล้วคืนถึงจะมาต่อปริญญาได้เหมือนกันการที่เราจะหาย โรคหรือบรรเทาโรคของความโรคความปวดความหลงขั้นเบาลงเนี่ยเราก็ต้องมีคุณสมบัติว่าจะคุณจะต้องมีหลักหประการมีศรัทธาวิริยะสติสัมธิปัญญาอยู่เสมอเมือนั้ไม่เหมาะที่จะเข้าเรียนเข้าไม่เหมาะที่จะหายโรคคุณก็ต้องป่วยต่อไปป่วยในโรคของราคะมันก็จะเนื่องจากว่าเราไม่กําหนดรู้สุขเวทนาที่เรากล่าวไปวันก่อน เมื่อไม่ตามรู้เราสุขเราเราแช่เราเสพเราเสวยนั่นแสดงว่าเราได้รับโรคแล้วโรคภัยไข้เจ็บของเวทนาเพราะเวทนาต้องแปลปรวนไปตามกฎของนิจังมันไม่เป็นสุขอยู่อย่างนั้นตลอดแล้วนั่งสักพักรู้สึกสบายสักพักมันก็ไม่สบายแล้วสุขก็กลายเป็นโรคของมันคือความทุกข์ขังแล้วก็อนัตตาต่อไปคือมันไม่สามารถจะดารงอยู่ตัวของมันอยู่ได้มันหายไปนั่นเอง เดี๋ยวมันก็เริ่มต้นใหม่อพอเรามีความต้องการอยู่รอดแล้วก็ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปพักการปรับเปลี่ยนของเราก็ขาดสติอีกตัวสุขเวทนาก็ต้องเปลี่ยนว่าเป็นตัวโสมนัสโสมนัสเวทนานั่นหมายความเกิดความพอใจในความสุขเพราะเราถึงแช่เราถึงเสพเราถึงพอใจเมื่อเกิดความพอใจความสบายากายไหลเข้าสู่ความ พอใจแล้วเราก็ยังไม่ตระหนักรู้อีกความพอใจก็เปลี่ยนเป็นการเพ่งหาความพอใจมากๆขึ้นไปแช่มากๆขึ้นไปนานๆขึ้นไปเป็นอภิชาเมื่อจี้ของเราจะแช่เราหลับอยู่ในความสุขสบายันนั้นเราก็ยังไม่ตื่นตัวอีกมันก็เปลี่ยนมาเป็นความเพลินเป็นนันทิล้วก็เพลินหมกมุ่นหมกมุ่นในการอยู่หมกมุ่นในการหลับการนอนหมกมุ่นในการ ได้ยินได้ฟังหมุมนในการเสพหมุมนในการเล่นเรียกว่าราคะเมื่อราคะความกำนัดรักใครในสิ่งที่เราต้องการขอนขวายสแสวงหาในตอบสนองความราคะความใคร่ของเราก็ยังไม่มีสติอีกมันก็กลายเป็นกามตัณหากามฉันทะไปตามลำดับเป็นโลพะเป็นโลภานุใสเป็นกามุปาทานเป็นกามสวะไปตามลาดับ ซึ่งไม่สามารถจะหยุดยั้ยงการแตกงอกรอบงากระแตกราก อ, าออกรากของตัวกิเลสตัณหาเหล่านี้ได้เลยเพราะเราขาดสติเพียงตัวเดียวดังนั้นเองการมาที่นี่มาเพียงเพื่อมาเจริญสติเท่านั้นเองเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นสัมปชัญญะและปัญญาเมื่อรากกิเลสมันงอกรากทำก็ต้องงอกเมื่อกิเลสมันลึกไปขนาดไหน ตัวรักษาคือตัวยาก็ต้องตามลึกไปขนาดนั้นมันถึงจะเอากันอยู่แต่ถ้าหากว่าเราให้ยาไม่ถูกก็เหมือนว่าเราปฏิบัติธรรมไม่ถูกความโรคความโกรธความหลงของเราก็ยังเต็มหัวมันเดิมเรายังโกรธมือนเดิมเรงพอใจมีสุขหมกหุ้นคุ้นคิดในความสุขความทุกข์อยู่มันเดิมแสดงว่าโรคเขารังอยู่ทุกตัวก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จประโยชน์ในการมาปฏิบัติธรรมได้นะ ดังนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นรุ่นที่มีความาตั้งใจเป็นพิเศษแล้วก็โชคดีเราได้สถานที่ไปสปายะโชคดีเราได้ฟังในสิ่งที่ดีๆและโชคดีที่เรามีความตั้งใจต้องรักษาไว้ให้ได้ดังนั้นแต่ละครั้งแต่ละคราวเมื่อเราได้ลูกไปทํากิจกรรมต่างๆ ต, ต้องตั้งสติไว้ก่อนเสมอแม้จะหลับจะนอนจะกินจะดื่มจะพูดจะคิดที่เรากราบไปวันก่อน ต้องตั้งสติก่อนแม้ว่ามันจะช้าไปหน่อยก็ช่างมันขอให้ได้ตั้งสติการตั้งสติในละครั้งที่เรายังไม่มีความเชีชนน่ยวชาญอาจจะตั้งได้ช้าเหมือนเราตั้งของที่ไม่ชํานาญอาจจะจับวางเลยไม่ได้แต่ต้องจับวางบ่อยๆฝึกบ่อยๆมันก็จะต้องตั้งได้หรือเหมือนเราฝึกยิงปืนฝึกยิงธนูที่เรายังไม่มีความเชีช่ยวชาญนอาจจะแม่นมันจับวางเลยไม่ได้มันอกี้ต้อง ได้บ้างเสียบ้างถูกบ้างผิดบ้างไปเรื่อยๆก่อนแต่ว่าเราไม่ท้อเราไมา่เบื่อที่จะทําตั้งมันบ่อยๆล้มบ่อยๆตั้งบ่อยๆยิงผิดบ่อยๆยิงบ่อยๆไปเดี๋ยวมันจะต้องมีการเรียนรู้มีการปรับขบวนการของการกระทำแม่นยำขึ้นเรานุก๊กนั่งย่างเดินทักสิบทรั้งสิบหนเนี่ยถ้าเราไม่แม่นสักหนเลยที่จะรู้เนี่ยมันก็แสดงว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลย เราคี้ยวข้าไปสิบคำยี่สบคำเราไม่ได้ตั้งสติแม้แต่คำเดียวแสดงว่าเราไม่มีศรัทธาที่จะทําเลยซึ่งก็สมควรที่จะต้องทุกข์สมควรที่จะต้องอเจ็บต้องป่วยต่อไปเพราะว่าเราได้สิ่งได้ยาดีแล้วเราไม่รับประทานโรคเราก็ไม่หายหลายคนที่สั่งสมยาไว้เยอะแยะแต่พอโรคภัยไข้เจ็บไปขึ้นนึกไม่ถึงว่ายาตัวไหนรัรกษาโรคอะไรยาเขามัมีประโยชน์เราเรียนธรมรมะศึกษาธรรมะศึกษาปฏิบัติธรรมมาเยอะแยะ แต่เราไม่เคยนำธรรมะหรือสิ่งเหล่านั้นมาบริโภคมาให้คนมาพิจารณามารักษาตนเองธรรมะที่เรียนรู้มาตลอดชีวิตก็ไม่มีประโยชน์รกในกายในใจนะดังนั้นก็จึงอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยได้เห็นความสำคัญว่าสิ่งที่เรามาเรียนรู้จะเป็นสิ่งวิเศษเป็นสิ่งที่สุดยอดของชีวิตถ้าเรามาเรียนสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตแล้วเรายังประมาท ไม่ตั้งใจก็ถือว่าเราหมดโอกาสหมดวาสนาที่จะต้องไปพบในสิ่งที่ดีๆในชีวิตของเราซึ่งเราจะโทษใครไม่ได้จะไโทษโชควาสนาบารมีจะโชคบรรพบรุษจะโทษเวรโทษกรรมไม่ได้แต่โทษการกระทําของเราเองที่เรายังขาดสติและยังประมาทนะดังนั้นเองเวลาที่เหลือวันสักวันนี้เป็นเวลาที่เราสามารถปรับแก้ได้เราอาจจะ เข้าถึงในสิ่งนี้ได้โดยใช้เวลาไม่นานตามประวัติของสาวกต่างๆเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรที่จะประมาทว่าเออฉันต้องการแค่นี้ฉันไม่เอาอย่างนั้นแต่ทําไปอย่างระมัดระวังถูกต้องส่วนจะได้แค่ไหนเพียงไรเราไม่จําเป็นต้องไปหวังแต่ทําให้ดีที่สุดเป็นหน้าที่ของเราส่วนผลมันเป็นเรื่องของเหตุ ถ้าเราทำเหตุดีที่สุดผลก็ออกมาดีเหมือนเราปลูกผักมันเตรียมดินที่เหมาะสมให้น้ําที่พอดีให้ปุ๋ยที่พอดีมเมล็ดพืชที่หว่านออกไปถ้าเป็นมเมล็ดพืชที่ไม่รีบมันต้องงอกแน่นอนอันนี้คือกฎของธรรมชาติคําว่ามเมล็ดพืชที่ไม่รีบหมายความว่าเมล็ดพืช น, นั้นมีคุณสมบัติเราก็เหมือนกันเป็นคนที่ไม่รีบเป็นคนมีคุณสมบัติและคุณสมบัติคืออะไรก็ห้ า, หาประการดังกล่าวมาแล้วมีศรัทธามีความเพียรมีสติสมาธิ ปัญญานั่นคือคุณสมบัติที่เราจะต้องมีไม่ว่าทำอะไรไม่ใช่เรื่องทำทำทันแม้แต่ทางโลกเหมือนกันเราจะทำงานได้เงินเดือนดีก็มีศรัทธาที่จะเรียนรู้มีความเพียรที่ต่อเนื่องทำจริงทำจังไม่ใช่ทำเล่นและทำอย่างเป็นการเป็นงานเรื่องมีสติสมาธิในการทำงานไม่ว่าเราจะทำทุกอย่างคุณสมบัติห้อย่างเป็นคุณสมบัติของชีวิตที่ประสบผลสําเร็จ ชีวิตที่สมควรที่จะมีความสุขความสงบชีวิตที่สมควรจะได้สิ่งดีที่สุดไม่ว่าฝ่ายโลกฝ่ายธรรมไม่ว่าฝ่ายวัตถุหรือฝ่ายนมามธรรมต้องตอกย้าคุณสมบัติหประการนี่ให้ชัดเจนไว้เสมอสมมติว่าเราจะทำอาชีพค้าขายเรามีศรัทธาต่อการค้าขายเท่าไหร่และมีความเพียรที่จะแก้ไขปรับการค้าขายให้มีกาไรเท่าไหร่ และในการประกอบการค้าขายเนี่ยเรามีสติมีสมาธิปัญญาในการประกอบการแค่ไหนพอเราเรียนประกอบการทางสังคมเนี่ยเราต้องมีคุณสมบัติห้าประการนี้อย่างขึ้นใจทีเดียวเราเขียนไว้ในบ้านเลยว่าวันนี้เรามีศรัทธาที่จะทํางานชิ้นนี้เท่าไหร่วันนี้มีความเพียรต่องานชิ้นนี้เท่าไหร่วันนี้มีสติสมัมาธิปัญญาพร้อมแค่ไหนเนี่ยมันจะได้ตรวจสอบตัวเองทุกๆวันแม้ว่ากิจนั้นเป็นกิจเล็กๆ็ ก, ก, กน้อยเรามีศรัทธาที่จะ ทำความสะอาดบ้านให้สะอาดได้แค่ไหนเรามีศรัทธาที่จะปรุงอาหารให้สำเร็จให้อร่อยและได้สุขภาพต้องอาศัยศรัทธาและความเพียรสติสมาธิปัญญาทุกเรื่องถ้าเราใช้เป็นมันเป็นยาหม่อใหญ่นะเป็นวัคซีนของธรรมเลยทีเดียวนะตอนนั้นเองก็ไม่อยากจะให้เราเสียเวลาเวลาสี่ห้าวันแต่ละคนจะได้เวลามาเนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะในชีวิตของเรา แต่ความจริงแล้วกิจกรรมเหล่านี้ไม่ใช่มันจําเป็นทุกเรื่องอะ่ะแต่เรื่องจากว่าเรายัางเลือกไม่เป็นดูเหมือนมันเยอะแต่ถ้าเราเป็นคนเลือกเป็นว่าสิ่งที่จะจําเป็นทําจริงๆในชีวิตประจำวันของเรามันมีไม่กี่เรื่องหรอกแต่เราก็ชอบหาเรื่องคือมาหาเรื่องมาทําเราไม่สามารถจะดํารงจิตให้มันเฉยอยู่ได้เพราะเรายังไม่มีที่อยู่จิตของเรายังไม่มีที่อยู่นั่นเองแม้ว่าบางคนอาจจะมีบ้านมีเรือนมีครือขาที่อยู่อย่างหรูหรา แต่ใจไม่มีที่อยู่ใจยังเล่ล่อนหลอ น, ลอนแหลมเป็นเรื่องอดีตอนาคตเรื่องก็คือเป็นคนกลางวันเป็นไฟอยู่อย่างนั้นเรีวยกว่าจิตยังไม่มีที่อยู่เพราะยังยังยังไม่ได้สร้างทีะนั้นมาที่นี่เลยมันมาสร้างที่อยู่ของจิตให้จิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ในสติอยู่ในสมาธิและอยู่ในปัญญาอยู่ในศีลจิตจะปลอดภัยที่จะอบอุ่นแต่เราเอาจิตไปอยู่กับอบายมุ ไปอยู่กับความโลภไปอยู่ความโกรธไปอยู่ความหลงจิตก็จะเหมือนอยู่ในนรกเร้าร้อนอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนทั้งหลายทุกวันจึงวิ่งว่อนเล่ยล่อนไปหมดวันวันเสียค่าเดินทางเสียค่ารถเสียค่าน้ำมันเสียค่าโทรศัพท์เสียค่าสื่อสารที่จะติดต่อวิ่งไปหาจุด น, นั้นวิ่งไปหาจุด น, นี้อยู่มากมายอันนี้คือความเดือดร้อนของเราเพราะจิตของเราไม่มีที่อยู่เราก็ไม่สามารถจะนิ่งได้นะ วิ่งวุ่นไปกับสิ่งที่สื่อต่างๆแต่นั้นอันนี้คือเป็นกิจวัตรที่เรามีอยู่ในบ้านในเรือนแต่ว่าเราก็ไม่เคยตระหนักรู้ว่าเพราะเหตุอะไรเราเป็นอย่างเราหยุดตัวเองไม่ได้เมื่ออยู่ตัวเองไม่ได้ไ ม, ไ ม, ไดมันก็ต้องเดือดร้อนมันก็ต้องวิ่งว่อนอยู่นั้นเรีวยกว่าท่องเที่ยวไปในวัตสะสมสารโดยที่ไม่มีเป้าหมายว่าจะไปเพื่ออะไรวันๆเราไม่มีเวลาที่มานั่งนึกคิดตึกจองว่าวันนี้กิจกรรมที่จําเป็นคืออะไร และควรจะทำสักกี่อย่างแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิปัญญาเป็นตัวเลือกเราก็จะเห็นว่ามันจำเป็นทุกอย่างอันนั้นก็จำเป็นอันนี้ก็จะเป็นแต่มันจำเป็นแล้วทำออกมามันมีสาระเท่าไหร่เราก็ต้องคำนวณจำเป็นเมื่อกันแวาสาระแค่10ซแต่เปรียบเทียบกับคิดจำเป็นที่สุดมันสาระร้อยเรเซเรากลับไม่ทำก็มีนะดังนั้นงานที่เราจะทาต้องเลือกว่าวันนี้เรามีชีวิตอยู่แค่เนี้ย 12ชั่วโมงเนี่ยเราจะทํางานอะไรให้สําเร็จได้ดีที่สุดเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะเริ่มจะเริ่มเรื่องหลายเรื่องในเวลาเดียวกันจิตกายของเรามันเริ่มได้ทีละเรื่องเท่านั้นแต่ใจของเราเนี่ยเริ่มเป็นร้อยๆเรื่องในวันหนึ่งเพราะอํานาจของความโลภดังนั้นเองเราก็ต้องมาตระหนักรู้ในสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเมื่อตระหนักรู้สิ่งเหล่านี้ให้ชัดแล้วเราก็จะง่ายต่อการปรับง่ายต่อการแก้ไขชีวิตของเรานะ เพราะนั่นเองเราก็ต้องเรียนรู้ตามที่ได้นำเสนอเรื่องสิ่งที่เป็นกุศลในวันก่อนว่าคนที่ฉลาดในการเลือกนั้นจะต้องมีกุกศลใจิตอยู่อย่างน้อยห้าประการซึ่งเปรียบเสมือนต้นยาคาที่นำมากล่าวแล้วว่ายาคานี่มีคุณสมบัติหประการคือหนึ่งมีความสะอาดในจิตในใจเป็นคนซื่อตรงไปตรงมาไม่เป็นคนที่จะคิด ซิกแซกหาเล่หาเหลี่ยมอะไรมาเอาเปรียบครอบครัวและสังคมเป็นจิตใจที่ใสสะอาดอยู่เสมอชําระจิตให้ใสสะอาดอยู่เสมอเป็นคนซื่อมือสะอาดประการที่สองเป็นคนที่มีปฏิพัณธ์ไหวพิภพอสมควรรู้ว่าอะไรเป็นอะไรต้องฝึกฝนให้เกิดอยู่เสมอประการที่สต้องมีความอดทนอดกั้นต่อสภาพแวลดล้อมต่างๆที่มันแปรปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจะเจอคนดีบ้างคนไม่ดีบ้างคนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างไปเจออาหารที่อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างไปเจออากาศที่ร้อนบ้างหนาวบ้างไปเจอสถานที่น่าอยู่บ้างไม่น่าอยู่บ้างไปเจอเพื่อนที่น่าคบบ้างไม่น่าคบบ้างเราก็ต้องอดทนอันที่สมอันที่สี่เราจะต้องขวนขวายแสวงหาความรู้ที่จะมาใช้ชีวิตเนี่ยอย่าง ชำนิชานาญทําให้เป็นเรียกขอนขวาหาความรู้รอบตัวอยู่เสมอไม่เป็นคนนิ่งดูใดในสิ่งที่รอบข้างไม่ใช้อารมณ์แต่ใช้เหตุผลใช้สติปัญญาประการที่ห้าเป็นคนที่มีกัรุณาเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตอาสามีจิตเอื้ออาทรต่อบุคคลรอบข้างต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอแต่ว่าใช้ปัญญาเมื่อมีกุศลจิตทั้งห้าประการ เรามีมโนสุจริตเรามีปัญญาเรามีขันติเรามีวิรยิยะและก็มีการุณาทั้งห้าประการเราจะทำอะไรก็สำเร็จเราเขียนไว้หน้าติดฝาในบ้านของเราเลยว่าเนี่ยเราจะสร้างกุศลละจิตอย่างนี้วันไหนวันนี้กุศลลจิตตัวไหนยังขาดไปวันนี้ยังไม่มีเลยห้าตัวเนี้ยก็ฝึกฝนเรื่อยๆ คำฝึกฝนเรื่อยๆหมายควว่าไมต่ตั้งใจไปทำแค่เราล้างถ้วยเนี่ยฝึกฝนคุณสมบัติหประการได้แล้วเราซักผ้าคุณสมบัติหประการนี้เราก็ฝึกฝนได้เราทําความสะอาดพื้นแล้วก็ฝึกฝนคุณสมบัติหประการเรากวาดขยะก็ฝึกฝนคุณสมบัติหประการนี้ได้โดยไม่ยากถ้าเราเข้าใจแต่ถ้าเราไม่เข้าใจก็ทําอะไรไปโดยที่ไม่นึกถึงว่าคุณสมบัติของจิตที่จะทําอะไรสําเร็จในทั้ง5้าอย่างเราก็นึกไม่ออก และชีวิตคนจะประกอบอะไรสักห้ายอย่างที่เป็นกุศลเราก็ยังนึกไม่ออกเพราะเราไม่ได้ลึกรู้เราไป ล, ลึกแต่เรื่องที่ไร้สาระวันนี้จะกินอะไรจะอยู่อะไรจะไปเพื่อนกับเพื่อนคนไหนจะเล่นอะไรเรานึกแต่เรื่องเหล่านั้นแต่เราไม่ได้นึกถึงสาระที่จําเป็นของชีวิตเหล่านี้ให้เป็นนิสยัยจิตใจแล้วก็ไหลไปสู่เรื่องไรสาระทั้งอดีตอนาคตแล้วเราก็บอกว่ามันจําเป็นนะนั่นนี่คือความเจ็บป่วยของเราที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวัน สิ่งเหล่านี้ก็นําไปสู่ความลื่นไหลความประมาทความขาดเขา่าทําให้เราต้องทุกข์อยู่ไม่สั่งสาดังนะนั้นเองการที่มาฝึกฝนในเรื่องการเจริญสติครั้งนี้คิดว่าเราจะไม่เสียเวลาและถ้าหากว่าเป็นไปได้เราก็ควรมีการติดต่อสัมพันธ์กันมีการประสานกันใครรู้มากเข้าใจมากขอพึ่งพา ใครรู้น้อยเข้าใจน้อยก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนและก็ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเป็นเราไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ถือตัวทุจตนว่าเก่งแล้วเรายังมีอะไรหลายอย่างที่เรายัางไม่รู้แต่ผู้รู้มีหลายคนที่เราสามารถจะพึ่งได้ถ้าหากว่าเรามีกําลังน้อยก็ อ, อาศัยคนมีกําลังมากเรามีสติน้อยก็ อ, อาศัยคนมีสติมากเราคนสมาธิน้อยก็ อ, อาศัยคนมีสมาธิมากเรามีปัญญาน้อยก็ อ, อาศัยคนมีปัญญามาก ต้องพึ่งพากันเพราะแต่ละคนนั้นเรามีชาติกำเนิดมามีที่ไปที่มามีบรรพบุรทธมาไม่เหมือนกันบนรรพุรทษของคนบาคนสั่งสมศีลมาเยอะเขาก็มีศีล ม, มากกว่าบรรพุรทษบางคนสั่งสมสมาธิมาเยอะเขาก็มีสมาธิมาสมมากกว่าเราบรบรพุทธบางคนเขามีปัญญามากกว่าแต่บางคนมีน้อยกว่าเราได้พึ่งพากันลักษณะอย่างนี้แต่ให้เราถอดเอาตัณหามาณทิ่ทิ ความถือเนื้อถือตัวออกไปทุกอย่างจะง่ายหมดแต่ทุกวันนี้มันยากเพราะเรามีมานะมีถือตัวเรียกว่าสักยะทิฐิมันขวางเราแทนที่เราจะเปิดใจเรารับสิ่งที่ดีๆจากหลายคนหลายสิ่งแต่เราก็ทําไม่ได้เพราะเราถือว่าเราก็แน่เหมือนกันอันนี้คือตัวอุปสรรคในการพัฒนาตัวเองถ้าเราถอดตัวนี้ออกได้เนี่ยชีวิตมันจะง่ายขึ้นเยอะอะไรมันก็จะง่ายไปหมดเพราะจะมีคนช่วยเหลือเราเยอะแยะเลย คนไหนก็อาศาที่จะช่วยเราได้ถ้าเราถอดตัวมานาทิฐิออกไปได้ตัวนี้จึงเป็นตัวหลุมดำของชีวิตทีเดียวคือมานาทิฐิจึงอยากจะให้พวกเราไปศึกษาเรื่องนี้ให้ดีแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาของผุทุชน้องมีสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้สามารถเอาออกได้ถ้าหาเรามีความตั้งใจ น, นั่นเองก็จึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายได้นาสิ่งเหล่านี้ไปคิดในแต่ละวันที่หลวงพ่อนาเสนอ ซึ่งเราไม่ได้พบกันบ่อยๆน่กมาพบกันแล้วต้องให้ให้สิ่งที่ดีสุดเราก็พยายามรับให้ดีที่สุดเหมือนกันเมื่อเรารับได้เต็มที่ได้เท่านี้เราก็ไปบริหารจัดการให้มันมากขึ้นได้แต่เพียงแต่ว่าเราจะมีศรัทธาไหมในการที่จะพัฒนาให้มากขึ้นตรวนี้คือสาคัญอย่าดูถูกกิจกรรมเล็กๆ น, น้อยๆเช่นล้างถ้วยล้างชามทาความสะอาดกวาดพื้น รับใช้บริการคนอื่น เ, เก็บกวาดเช็ดถูในห้องในบ้านของเราให้สะอาดให้เรียบร้อยเป็นกิจกรรมง่ายๆแต่ว่าหลายบ้านหลายเรือนยังลกลุงหลังอยู่ต้องกลับไปดูเสื้อผ้าควรจะพับอย่างไรควรจะเก็บอย่างไรควรจะอยู่ที่ไหนในบริเวณบ้านของเราบางคนดูไม่ได้เกะกะลกลุงหลังไปหมดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท้าทายต่อความสามารถของเราที่จะใช้คุณธรรม คุณทําใหญ่ๆแล้วเนี่ยต้องเอาไปใช้เล็กๆให้เป็นเราซื้อเนื้อมาก้อนหนึ่งเรากินทั้งก้อนไม่ได้หรอกเรามาหั่นมาซอยมาลาบเป็นคำเล็กๆเรารู้ธรรมะมาเยอะแยะถ้าเรามาหั่นมาซอยกิจกรรมเล็กๆไม่ได้กิจกรรมใหญ่เราก็ทำไม่เป็นเรื่องใหญ่เราก็ทาไม่เป็นข้าวอาจจะหุงเป็นหมอ้อแต่เรากินจริงๆทีละช้อนในกิจกรรมประจำวันเรารู้อะไรรู้เรื่องอะไรเยอะแยะ แต่ที่เรามาทําจริงๆงก็ทําทีล ะ, ะ, ะ, ะ, ะอย่างไม่ใช่ทาทีละหลายๆอย่างดังนั้นเพื่อไม่เกิดการสิ้นเปลืองสติปัญญาในมันสมองมากเกินไปเนี่ยเราควรจะใช้มันอย่างประหยัดคําพูดก็ควรจะใช้อย่างประหยัดไม่ใช่ว่าพูดได้พูดเลื่อยเปื่อยความการกระทําก็ใช้อย่างประหยัดไม่ใช่ว่าทําได้ทําเรื่อยเปื่อยมันหนักมันเหนื่อยเสียเวลาเสียของหรือคิดได้ก็คิดเลื่อยเปื่อยโดยที่ไม่ประหยัดสติสปัญญา นั่นคือการเหน็ดเหน่อยการเสียพลังโดยไม่จำเป็นเรารู้จักประหยัดคำพูดพูดในสิ่งที่จำเป็นในสิ่งนี้ไม่จำเป็นหัดที่จะไม่พูดรู้จักที่จะทำในสิ่งที่จำเป็นถ้าไม่มีอะไรต้องทำเราทําความเพียรพัฒนาจิตตัวเองแทนเราคิดในสิ่งที่จำเป็นสิ่งไหนที่เราคิดมาต้องทำสิ่งนั้นให้ได้สิ่งไหนทาไม่ได้อย่าเสียเวลาคิดนี่อันนี้รู้จักประหยัด พลังงานเหล่านี้เราก็จะไม่สูญเสียพลังงานของสติสมาธิปัญญาไปง่ายเหมือนเราประหยัดทรัพย์ถ้าคนมีทรัพย์ถ้าจ่ายเลื่อยเปื่อยอยากจะคิดอยากจะซื้ออยากจะกินอะไรก็จ่ายในที่สุดเราก็จะเป็นคนยากจนไม่รู้จักประหยัดพลังงานคำพูดเป็นพลังงานความคิดเป็นพลังงานการกระทำเป็นพลังงานถ้าเราไม่รู้จักประหยัดคาพูดความคิดและการกระทำของเรา <c oughs> เราก็จะเป็นคนจนใจจนปัญญาเลื่อยไปเหมือนกันเพราะใช้เกิน แต่เราไม่เคยหามาเสริมแต่ตัวที่จะเป็นทรัพย์สินที่ใช้ไม่หมดก็คืออริยทรัพย์ที่เรียกว่าสินพหูเศรษฐะปัญญาเหล่านี้เป็นต้นที่เราจะต้องหาให้มากทุกๆวันเท่ากับเราใช้ไปนะดังนั้นในเช้าวันนี้เราเริ่มต้นที่ดีอะไรที่เป็นความจำเป็นหลวงพ่อชี้แจงชัดเจนหมด ให้พวกเราเอาไปแยกย่อยเอาไปทํากันดูกิจนะกรกรมเหล่านี้สามารถใช้ได้ทันทีเลยการลุกการนั่งการย่างการเดินเอาไปใช้ได้เลย <c oughs> การจับการถือการบริโภกคการกินการดืม่มเอาไปใช้ได้เลยถ้าเราใช้เป็นแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นเราก็ยังทําตามความเคยชินเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าใช้ทำมาไม่เป็นมีทำแต่ทำแต่ใช้ไม่เป็นก็ไร้ประโยชน์เหมือนกันหนักเปล่านะ ดันั้นขอให้เราตระหนักรู้ในสิ่งเหล่านี้นั้นเวลาที่เหลือประมาณสิบห้นาทีเนี่ยเราจะออกไปเดินชมกลมล้อมกันสักพักเพื่อได้เตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมที่จะรับอาหารวิทนาัติต่อไปก็ขออนุโมทนาพวกเราทั้งหลายที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้อย่างจริงจังตั้งใจต่อเนื่องและถูกต้องที่จะนำไปสู่ความตื่นรู้ที่สมบูรณ์ และเบิกบานด้วยการทุกคนทุกท่านถือ